โอวาทแนะนำบอกสอนชี้แนะให้ผู้อื่นมีความมากน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรให้เพื่อนพรหมจา ร, รูปอื่นเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้แนะนำให้เข้าใจเป็นผู้ที่ชักชวนเพื่อนพรหมจาร์ทั้งหลาย ให้เห็นแจ้งสมาทานให้อาจหารให้ร่าเริมในการปฏิบัติอยู่ในกระาวัตุสิบประการนะซึ่งพระพิสูน์ทั้งหลายก็ตอบว่าท่านพระปุณณมันตานีบุตรนี่แหละเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นต้นด้วยตัวเองแล้วก็ยังแนะนำโอวาทบอกสอนแก่พระพิสูรรูปอื่นด้วยนั้นในอัตถกถาจึงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกระาวัตุ10ประการเนี่ยนะ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 ท่านบอกว่าพระปุณณมรนตานีบรนั้นเป็นผู้ที่ปรารถนาน้อยอภิชโชฌะหรืออภิชเนี่ยแปลว่าผู้มีความปรารถนาน้อยอันนี้เ้าเรียกว่าพูดแบบแบบอะไรนะพูดแบบพูดเหมือนมีส่วนเหลือแต่ความหมายจริงๆไม่มีส่วนเหลือคำพูดเหมือนกับว่ายังปรารถนาแต่ปรารถนาเอาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆขอขอแบ่งนิดๆหน่อยๆอะไรเหมือนฟังแล้วเหมือนว่า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 คามปรารถนาด้วยกามาสวัิทิฐาสวัภวาสวะอวิชชาสวะไม่เหลือแล้วเพราะท่านตัดกามาสวะหรือตัดตันหาด้วยอรหัตตะมักอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่มีส่วนเหลือแต่คําพูดบอกว่าเป็นผู้มักน้อยมักน้อยแปลว่ายังชอบน้อยๆอยู่นะไม่ใช่ว่าชอบเยอะไม่ใช่ชอบใหญ่ชอบโตแต่ว่าแต่ก็ถือว่ายังชอบใช่ไหมเหมือนว่าชอบเล็กชอบน้อยแต่จริงๆแล้วท่านไม่มีความชอบด้วยอํานาจตันหาเลยเพราะท่านเป็นผู้ที่ สิ้นตันหาโดยประการทั้งปวงทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการมักน้อยเนี่ยนะเราต้องต้องมาแบ่งเป็นรายละเอียดแบ่งเป็นรายละเอียดอยู่สี่นัยยะด้วยกันแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเลยนะกลุ่มผู้มีความปรารถนาไม่มีขอบเขตนี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองผู้มีความปรารถนาลามกหรือมีใจปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาป ก, กลุ่มที่สามกลุ่มมักมากประเภทที่สี่คือพวกมักน้อยนะ ถ้าเราจะเข้าใจคนมากน้อยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าไอ้คนที่ต้องการแบบไม่มีขอบเขตเป็นยังไงคนที่ปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอย่างไรคนมากมากเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วเราจะรู้จักว่าคนมากน้อยเป็นอย่างไรเพราะบางทีคนมากมากแต่อยู่ในคราบของคนมากน้อยก็มีเนี่ยนะเรียกว่าบรรจุพันธ์น่ยนะต้องศึกษารายละเอียดไม่ใช่ดูแต่ข้างกล่องอย่างเดียวเท่านั้นชั้นดดใดผู้ที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติก็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 แต่จริงไม่ใช่เนี่ยนะอกุศลสายโทสะเป็นลักษณะของริษย า, านะสิ่งเดียวกันเนี่ยไม่ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยมีบังคนที่ปรารถนาไม่มีขอบเขตเนี่ยคือบุคคลที่ริษยานั่นเองเนี่ยนะบวกกับโทสะนะริษยาเกิดร่วมกับโทสะไม่มีความสุขที่คนอื่นดีเท่าตัวหรือดีล้ํากว่าตัวเด่นเกินตัวเพราะฉะนั้นมันต้องด้อยกว่าเราโดยประการทั้งปวงจึงจะมีความสุข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 ทำไมพ่อแม่ไม่ค่อยรักเราเลยรักแต่น้องหรือคนที่เป็นน้องคิดอย่างนี้ว่าพ่อแม่รักแต่พี่ไม่มีรักตัวเองเลยเนี่ยนะโอถ้าอย่างนี้จะเป็นยังไงมันทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมแล้วถ้าทุกข์แบบนี้บ่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นพี่กับน้องจะมีเมตตาต่อกันไหมไม่มีมันมีเด็กอยู่คนหนึ่งมันเกิดมามันมันที่สยามเป็นตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยมันมันคลอดออกมาฮะมันก็โตขึ้นมาหน่อยมันต้องคอยดูไม่ค่อยชอบเลยที่แม่จะมีน้องคนใหม่เนี่ยนะ พอแม่มีน้องตับไม่ชอบเลยมันเรียกแม่แบบหยาบคายเลยนะเพราะจริงๆมันกังเกียดน้องที่อยู่ในท้องเนี่ยนะนะบอกว่าทาไมอะ่ะเพราะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยลดความสําคัญลงไปเมื่อมีน้องเพราะฉ้เด็กคนนี้มันจะริษยาน้องมากจะรําคาญน้องมากเห็นแมแ่หรือสมมุติว่ามีพ่อๆแบบอะไรนะไปพูดกับ น, น้องเนี่ยตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วงอนน้อยใจเนี่ยนะคือเป็นคนลักษณะนั้นเลยถามว่าถ้าเป็นบ่อยๆพี่กับน้องคนนี้จะสามกีกันไหม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 ตัวเองเนี่ยไม่ได้เลื่อมใสไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเลยแต่ภาพที่แสดงออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงถ้าเป็นแบบภาษารู ป, ปธรรมนะอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบบางคนเลยแต่แสดงกิริยาเหมือนว่าเขาเนี่ยชอบคนนั้นมากนะเหมือนทำทุกอย่างเพื่อคนนั้นแต่ที่ไหนได้มันเป็นเรียกว่าเลขกลของคนโกงคาว่างั้น อันนะัเลขกลของคนโกงอย่างที่หนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดนะนะเขตั้งชื่อเขตั้งชื่อดีนะคือฟังแล้วเข้าใจเลยเขาว่าโคตรโกงมหาโกงแต่เสมือนหนึ่งไม่โกงคือหมายคำว่าวิธีช่อชนที่แยบยนเหมือนไม่มีความรู้สึกว่าช่อชนอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยนะเราเป็นการหลอกลวงชนิดที่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้รับไม่มีการหลอกลวงเนี่ยหนะลอกลวงคนค น, คนอื่นเนี่ยมาปูนบําเหน็จบูชาจน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 ปล้อนอะไรนะปล้นแบบคนอื่นไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่างั้นนะว่าบุคคล น, นั้นเนี่ยเขาเข้ากําลังถูกปลอนเพราะอะไรไปเทิร์ดทูลให้คนที่คือเราคิดไว้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาเป็นไว้อีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าถูกหลอกลวงใช่ไหมก็แปลว่าถูกหลอกลวงนั่นเองเหมือนกับเราไปซื้อของเนี่ยเราต้องการข อ, ของอีกอย่างหนึ่งแต่คนขายเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ซึ่งสมความประสงค์ที่เราต้องการพอเอามาใช้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็แปลว่าเรา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 เป็นบาปเนี่ยนะอันนี้อย่างอย่างที่หนึ่ง